ถ้าปัญญาดีวิจารณญาณทั้งหลายก็ว่องไวฉั้นผู้ที่ว่องไวอย่างนี้เรียกว่าตื่นตัวแต่ตื่นตัวด้วยวิจารณญาณที่แม่นยำเนี่ยนะวิจารณญาณเรื่องสีเนี่ยแม่นยำเรื่องอินทรีสังวรเ น, นี่ยแม่นยำโภชเนมตันยุตาก็แม่นยำแล้วก็มีคุณธรรมอย่างอื่นเนี่ยรองรับบุคคลเหล่านี้จึงจึงตื่นตัวเนี่ยน ะ, ะผู้ที่ปฏิบัติธรรมนะั้นในคำบีท่านยังบอกว่าหลับน้อยมากโดยมากก็หลับสี่ชั่วโมงเนี่ยนะหลับสี่ชั่วโมงอะนะ มันถ้าบอกว่าถ้าหลับสี่ชั่วโมงแล้วตื่นตัวในการเจริญกุศลธรรมอยู่ตลอดเวลาถ้าอย่างเนี้ยใกล้มรรคผลนิพพานแต่ถ้านอนถ้าบวกเกิน4ี่ชั่วโมงเนี้ยนะเช่นบวกกว่านอนหชั่วโมงบวกเป็น6บวกเป็น7บวกเป็นวันละ89ชั่วโมงเป็นต้นเนี้ยนะไกลนิพพานก็ไปตามชั่วโมงที่หลับที่นอนนั่นแหละก็แต่ถ้าวัาก็แสดงว่าวัดตะมันเย็นสบายเนี่ยนะถ้าหากว่ายินดีในการหลับเท่าไหร่ก็แปลว่าวัดตะมันเย็นไม่ได้ ร, ร้อนร้อนแสดงว่าวัดตานี่อบอุ่น อยู่แล้วอบอุ่นใจเพราะฉะนั้นนอนให้อุ่นกายอุ่นใจต่อไปดีกว่าก็แสดงว่าอะไรอ น, นาหัตตะไม่ได้ร้อนอะไรแต่บางพวกก็ไม่มีข้อมูลอะไรไม่หลับไม่นอนเลยตื่นอยู่ตลอดเวลาตื่นแต่ตาแต่แตแตใจเนี่ยมันหลับเพราะอะไรเพราะไม่มีสติสัมปชัญญะไม่มีสมถาวิปัสนายาเมื่อลืมตายาเมื่ หูได้ยินเสียงรูก้กลิ่นหรือใจนึกคิดเนี่ยนะถ้าหากว่าใจเหล่าใดที่ไม่ประกอบด้วยสมถะวิปัสนาใจเหล่านั้นหลับง่ายๆอยู่แล้วเนี่ยถึงตื่นก็ชื่อว่าหลับถึงพูดอยู่ก็ชื่อว่าหลับเพราะอะไรเพราะหลับไหลจากข้อปฏิบัติเพื่อความตื่นหลับไหลจากข้อปฏิบัติเพื่อเจริญงอกงามด้วยคุณธรรมทั้งหลายเนี่ยนะพันชาคริยานุโยคภาวะที่ตื่นเนี่ยนะตื่น เพรคนที่ตื่นเท่านั้นแหละจึงจำเนกแยกแยะได้ว่านี่กุศลธรรมเหล่านี้เราพร่องไปนะเพราะคนที่ตื่นเนี่ยจะแจกแจงรายละเอียรู้ว่านี่ศรัทธาเราตื่นเราลดลงตอนนี้ศรัทธาเราเพิ่มตอนนี้สีอะฮีริโอตปะเพิ่มหรือฮีริโอตปะลดลงสภาพจิตแบบนี้เนี่ยนะแม้ตอนนี้ทําไมมันตื้อเหลือเกินเนี่ยนะทำไมสติปัญญามใช้งานไม่ได้นี่พิจารณาอะไรไม่เป็นเลยเนี่ยทำไมพิจารณาไม่ได้ แยกแยะสภาวะจิตเป็นไปกับความเป็นพหูสูตรหรือไม่เป็นพหูสูตรพิจารณาอยู่หรือไม่พิจารณาเพราะพหูสูตรหรือผู้มีปัญญาทั้งหลายมีการพิจารณาเป็นเป็นกำลังพหูสูตรเนี่ยกำลังของพหูสูตรก็คือการพิจารณาเรียนมาเยอะแล้วไม่พิจารณาอะไรเลยเนี่ยเขาชมแล้วก็ด่าข้อมูลเยอะแยะไปหมดแตเอาไม่ไม่ใช้ไม่คิดไม่อะไรเนี่ยนะถูกด่านะเขาไม่ได้รับชมเลยนะ ตำหนิโดยซ้ำไปมันผ้าหูสูตรจึงมีการพิจารณาเป็นกําลังแล้วก็ต่อไปสูงสูงยิ่งยิ่งขึ้นต่อไปอีกเป็นไงถ้าสูงสูงพิเศษเจริญเข้าไปอีกเนี่ยนะก็เป็นวิริยะเนี่ยนะกล้าที่จะเจริญคุณธรรมเนี่ยนะกล้าก้าวหน้าต่อไปอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้สมบูรณ์ด้วย วิชาและจารณะโดยเฉพาะผู้สมบูรณ์ด้วยจารณะคือวิริยะวิริยะมาจากวีระเรื่องของกล้าเนี่ยนะวีระเนี่ยแปลว่าแกล้วกล้าวิริยะก็คื อ, อคุณธรรมที่ทำให้คนนั้นนะ่ะเป็นคนกล้าเพันวิริยะทั้งหลายเนี่ยจึงเปรียบเหมือนราชสีไม่ได้เปรียบเหมือนเปรียบเหมือนอะไรนะตัวอะไรนะที่แหม่มันหดเข้ากระดองเต่าไม่ใช่เต่านะนะจึงไม่ใช่กลุ่มหดห่อตัวเข้ามาแต่พวกเนี้ยกล้า เรกวาเหมือนกองทัพกองทัพเนี่ยนะที่เป็นนักรบที่กล้าหารฉันใดวิริยะเนี่ยก็ถึงความเป็นผู้ที่กล้าหารฉ น, นั้นในสัมมประธานทั้งหลายเนี่ยนะกล่าวถึงเรื่องของคนกล้าหรือวิริยะเนี่ยนะวิริยะว่ายังฉันทาให้เกิดคนที่กล้าเนี่ยไม่ใช่บ้าบินเนี่ยนะแม้กัดฟันสู้ไม่ใช่อย่างนั้นนะยังฉันทาให้เกิดเต็มใจก่อน มีความพอใจเต็มใจสบายใจสุขใจแล้วก็พอใจอย่างยิ่งในสิ่งที่ตัวจะทำที่เรียกว่ามีฉันทะเพราะฉนคนที่จะเพียรเนี่ยนะเบื้องแรกต้องยังฉันทะให้เกิดจะขยันทําอะไรก็ตามก่อนต้องปลูกใจรักในสิ่งนั้นถ้าจะเจริญคุณธรรมเหล่าใดต้องรักคุณธรรมอั น, นั้นก่อนอย่างที่บอกว่าอย่างสมมุติว่าอย่างคนที่จะสแสวงหาเงินต้องรู้จักรักเงินก่อนถ้าไม่รักเงินตั้งแต่แรกเลยทั้งหามาได้เท่าไหร่ก็ไม่เลือ ต้องรู้จักรักก่อนก็เรียกว่ารักที่จะอดออมเป็นต้นคนที่จะเจริญกุศลต้องรักที่จะเจริญกุศลรักที่จะละอะกุศลเสียก่อนมีใจรักใจรักที่จะเห็นโทษอกุศลมีใจรักที่เห็นคุณของกุศลและภาคเพียรทํำยังไงให้กุศลเนี่ยงอกงามไพ่บูรี บ, รบูรนเจริญเติบโ ต, ตเพราะฉะนั้นจึงมีความตั้งใจเนี่ยนะมีความพยายามปรารบความเพียรประคองจิตไว้ ตั้งจิตเอาไว้นะเพราะฉันยังฉันท้าให้เกิดยังฉันท้าให้เกิดอะไรให้เกิดเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้บาปเนี่ยเกิดขึ้นป้องกันที่จะกำจัดอกุศลธรรมทั้งหลาย ท, ที่ที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะมีใจเต็มใจพอใจอย่างยิ่งที่จะกำจัดบาปเต็มใจเป็นอย่างยิ่งที่จะระวังรักษาบาปไม่ให้เกิดขึ้นในจิตเต็มใจเป็นอย่างยิ่งที่จะ ที่จะเจริญกุศลเต็มใจแล้วก็มองเห็นกุศลเนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่ามากคู่ควรแก่การรักษาคู่ควรแก่การสแสวงหาแล้วก็รักษาสแสวงหารักษาสแสวงหารักษาแล้วก็กำจัดบาปอากุศลออกไปกำจัดอกุศลทั้งหลายออกไปกำจัดอกุศลทั้งหลายออกไปแล้วก็รักษากุศ ล, ลธรรมทั้งหลายให้งอกงามยิ่งยิ่งขึ้นไปพระองค์ตรัสว่าดูก่อนพิสูนทั้งหลายเพราะ คุณธรรมสองประการทำให้พระองค์เป็นพระพุทธเจ้าหนึ่งไม่สันโดษในกุศลคือโอ้กุศลจิตเกิดเท่านี้พอแล้วไม่มีอยู่ในหัวใจไม่มีมีแต่ว่าทำยังไงใจจะเป็นกุศลยยิ่งยิ่งขึ้นไปใจจึงไม่อิ่มในการให้ทานไม่อิ่มในเจตนาที่จะให้ทาน ไม่อิ่มในเจตนาที่จะรักษาศีลประพฤติจาีตศีลและวารีศีลไม่อิ่มในการเจริญเนคขมะไม่อิ่มในการเจริญปัญญาไม่อิ่มในการวิริยะภาคเพียรทำกุศลให้ก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปไม่อิ่มในขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาและอุเบกขาไม่อิ่มในคุณงามความดีไม่อิ่มในสมถะและวิปัสสนาไม่อิ่มในทานศีลภาวนาอ่อนน้อมไม่อิ่มในการ ทำวิญยาพจการไม่อิ่มในการช่วยเหลือเกื้อกูลหรือไม่อิ่มในการอนุโมทนาบุญในการอุทิศส่วนบุญไม่อิ่มในการฟังธรรมไม่อิ่มในการประกาศธรรมไม่อิ่มในการปรับศาสนกติอนะทำความเห็นให้ตรงด้วยสติปัญญาเป็นต้นวันนี้จึงไม่อิ่มในการเจริญกุศลไม่อิ่มในการเจริญคุณงามความดีไม่อิ่มในในคุณธรรมทั้งหลายเนี่ยนะเรียกว่า เปรียบเหมือนทะเลเนี่ยนะรับน้ําไม่เต็มอิ่มด้วยน้ําที่ไหลเข้ามาฉันใดใจของผู้ที่จะเจริญด้วยคุณธรรมทั้งหลายพวกนี้ไม่อิ่มในในอะไรในคุณธรรมทั้งหลายอย่างเช่นทางโลกเนี่ยนะอย่างพวกที่เขาเรียกว่าเป็นเศรษฐีทั้งหลายเราเคยได้ยินว่าเขาพอแล้วมีไหมพวกยิ่งมีเท่าไหร่เนี่ยเขาบอกว่ายิ่งเออเข้ามามากๆยิ่งดียิ่งเข้ามาเข้ามามากๆยิ่งดีมันเขา้าเข้าหวัง หวังให้สิ่งเหล่านี้ยงอกเงยยิ่งยิ่งขึ้นไปเขาจึงมีวัตถุเนี่ยนะที่เขาต้องการหาประมาณไม่ได้เพราะเขาไม่รู้จักเต็มไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอในสิ่งที่เขามีเขาต้องการยิ่งยิ่งขึ้นไปสิ่งเหล่านั้นจึงงอกเงยยิ่งๆิ่งขึ้นไปถ้าบริหารถูกทางอ่ะนะฉันใดผู้ที่จะเจริญกุศลธรรมทั้งหลายให้งอกงามก็ฉันนั้นพว้นี้จะไม่อิ่มในกุศลนั้นคุณธรรมอันหนึ่งที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้า อันดับแรกก่อนก็คือไม่อิ่มไม่พอไม่เต็มในการเจริญกุศลมีแต่ทำให้กุศลและงอกงามยิ่งๆขึ้นไปใช้คาว่ากุศลนะไม่ใช่ดินกุศลไม่ใช่ดินไม่ใช่ทําดินให้เพิ่มไม่ใช่ทําน้าให้เพิ่มไม่ใช่ทําไฟให้เพิ่มไม่ใช่ทําลมให้เพิ่มไม่ใช่ทําสีเพิ่มไม่ใช่เพิ่มสีเพิ่มเสียงเพิ่มกลิ่นเพิ่มรสเพิ่มสัมผัสแต่เพิ่มกุศลจิต เพิ่มความเป็นกุศลเพิ่มศรัทธายิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะวิริยะคืออะไรวิริยะคือการเพิ่มกุศลใจเนี่ยนะน้อมไปเพื่อเพิ่มศรัทธาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปใจนั้นเพิ่มสติให้งอกงามยิ่งยิ่งขึ้นไปเพิ่มสมาธิแล้วก็เพิ่มปัญญาเพิ่มเฮิรโอตาปะ เพิ่มสติประธานสัมมาประธานอิทิบาตอินทรีประละพ่อชงและองค์มัชเพิ่มคุณธรรมที่จะทําให้เกิดการตรัสรู้เพิ่มบารมีอุปปารมีปรามตบารมีเพิ่มคุณธรรมทุกอย่างเนี่ยนะไม่ไม่พอโน่นจนกว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าผู้คงที่ผู้เป็นดวงตาของโลกเนี่ยนะจนถึงระดับนั้นแค่ว่าไม่อิ่มอย่างอย่างบุคคลทั้งหลายทั่วไปเนี่ยนะ ความสันโดษในกุศลธรรมทั้งหลายทั่วไปอู้ชาตินี้นะได้ให้ทานมูลค่าเท่านี้พอแล้วชาตินี้ถ้าบริจาคได้สักพันหนึ่งเนี่ยอู้ยถือว่าเต็มอกเต็มใจแล้วเนี่ยนะหมดไปตั้งพันหนึ่งทําบุญเพราะบางคนเนี่ยตั้งไว้เลยว่าอ่าชาตินี้จะบริจาคสักห้าห้าสักหมื่นหนึ่งหรือบางคนตั้งไว้เลยแสนหนึ่งบางคนตั้งไว้เลยว่าล้านหนึ่งพราครอบล้านปั๊บมันมันมันพออะไรเพราะใจมันตั้งไว้เท่านั้นบางคนนี่ตั้งไว้สักสิล้านบางคนตั้งไว้ ชาติเนี่ยเขาบริจากร้อยล้านพออย่านีบางคนก็บอกสองรอยล้านบางคนบอกต้องทําบุญเป็นพันล้านบางคนเนี่ยตั้งไว้ขนาดนั้นบางคนบอกกรทั่งต้องให้ทั้งแผ่นดินหมดอะ่ะมันก็แล้วแต่ว่าตั้งเอาไว้แค่ไหนแล้วคนทั้งหลายหลนั้นพอไปทําไประดับนั้นมันจะเลิกทันทีเพราะใจมันตั้งไวอ้อย่างนั้นบางคนเนี่ยตั้งไว้ที่ตัวตัววัตถุว่าจะต้องทําเท่าไหร่แค่ไหนและอย่างไรบางคนตั้งไว้ที่ใจ เอ้ยให้สักครั้งวันหนึ่งนะตื่นมาทําบุญใส่บาศสักครั้งก็พอแลว้วอุ้ยทางทั้งชาตินะไปไหว้พระสักที่เดียวก็พอแลว้วเนี่ยนะพวกนี้ตั้งไว้แค่กุศลจิตเกิดไม่เท่าไหร่เนี่ยนะอย่างเขาเขาไปกราบไปไหว้ก็พอแลว้วอย่างสถานที่บางแห่งเอ๊ะทำไมไปแล้วทําไมกุศลจิตเขาเกิดน้อยจังจริงๆแล้วพวกนี้สันโดษในกุศลมาตั้งแต่แรกแล้วสันโดษในศรัทธาสันโดษในปัญญาสันโดษในวิริยะสันโดษในคุณธรรมแต่ตรงกันข้าม พระพุทธเจ้าผู้สมบูรณ์ด้วยวิริยะเนี่ยนะไม่สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลายมันพระองค์จึงเรียกว่าค่าแต่พระองค์ผูก้กล้าเนี่ยนะเรียกว่ากล้าที่จะทำในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้ากล้าในสิ่งที่คนอื่นประกาศยอมแพ้เนี่ยนะคนทั้งหลายประกาศยอมแพ้เลิกให้ทานแต่ท่านไม่เลิกเนี่ยนะคนทั้งหลายประกาศยอมแพ้ที่จะรักษาศีลพระองค์ไม่เลิกที่จะรักษาศีล คนทั้งหลายเนี่ยนะประกาศยอมแพ้ที่จะเจริญมิตรตากรุณามุทิตาประกาศที่จะยอมแพ้ในการเจริญสมถะและวิปัสสนาโปร่งไม่ยอมแพ้เรียกว่าประกาศยกธงพ่ายแพ้ในการเจริญคุณธรรมทั้งหลายเรียกว่าไม่มีการเวียนกลับมาที่ตกต่ำยิ่งอันนั้นอีกแล้วเนี่ยนะมีแต่เพิ่มคุณธรรมให้ สูงยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะเพิ่มคันติเพิ่มวิริยะเพิ่มปัญญาเพิ่มเมตตาเพิ่มอุเบกขาเพิ่มคุณธรรมเนี่ยยิ่งยิ่งขึ้นไปเรียกว่าไม่สันโดษในกุศลและก็ไม่อีกอย่างที่สองคือไม่ทิ้งความเพียรอันะทวนว่าคุณธรรมที่ทําให้พระองค์เป็นพระพุทธเจ้าไม่สันโดษในกุศลและก็ไม่ละความเพียรเห็นไหมพันกุศลธรรมของพระองค์เนี่ยจึงไม่ได้หยุดอยู่แค่ว่าเออแค่ทาน หรือคุณธรรมของพระองค์จึงไม่หยุดอยู่แค่ศีลไม่หยุดอยู่แค่เนคขมมะหรือไม่หยุดอยู่ในระดับปัญญาล่างๆไม่หยุดอยู่ด้วยทานศีลภาวนานในคุณธรรมระดับล่างๆไม่ได้บริบูรณ์อยู่แค่จตุปาริสุทธิศีลไม่หยุดอยู่แค่เนี่ยนะสมาธิไม่ได้หยุดอยู่แค่อุปจารสมาธิไม่ได้หยุดอยู่แค่ปฐมฌานไม่ได้หยุดอยู่แค่ทุทาาตทิยฌ า, านตัติยฌ า, านจตุตฌาน ไม่ได้หยุดอยู่แค่ปฐมอากาสา น, นาัญญาตนะวิญญาณัญญาตนะอากินจัญญยายตนะเนวสัญญาณาสัญญายตนะไม่ได้หยุดอยู่เท่านั้นอาราละดาบที้หยุดอยู่แค่อากินจัญญาตนะอุทกะดาบทหยุดอยู่แค่อะไรเนวะสัญญาณาสัญญายตนะบุคคลไม่ใช่น้อยบางที่หยุดอยู่แค่พรหมิหารบางคนหยุดอยู่แค่เมตตาบางคนหยุดอยู่แค่กรุณาบางคนนี่หยุดอยู่นยในระดับหนึ่งระดับหนึ่ง เขารียกว่ามีความปรารถนาที่จํากัดมีมีอัธยาศัยในการเจริญกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ในขอบเขตที่จํากัดแต่พระองค์ไม่ใช่บุคคลที่เจริญกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ในขอบเขตที่จํากัดมีแต่เพิ่มพูนคุณธรรมให้ให้เติบโตแล้วก็โงกงามไพ่บู์บริบูรณ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปนะก็ะเรียกว่ามีแต่การเพิ่มอะไรอีกเพิ่มนะ หยุดอยู่บางคนเนี่ยนะอาภาเรยาบางคนบอกว่าได้โสดาปฏิมรักก็พอแล้วชาตินี้เขาได้โสดาปฏิมรักก็พอแล้วสังเกตดูสมัยพุทธกาลเนี่ยบางพวกเนี่ยสูตรเดียวกันฟังได้เป็นพระโซดาบัณบางพวกฟังแล้วได้พระสกทาคามีบางพวกเป็นพระอนาคามีบางพวกเป็นพระอรหันต์บางพวกเป็นระดับอัครสาวกบางพวกเนี่ยนะบางยุคสมัยก็เป็นพระปเจกกับพุทธเจ้าบางคนเนี่ยจินตนาการหยุดอยู่แค่นั้น ความกล้าที่จะเจริญกุศลตั้งเอาไว้แค่นี้พอแล้วพอแล้วพอแล้วแต่ของพระพุทธเจ้านั้นนะโดยพื้นฐานเนี่ยนะความดำริเนี่ยไปสูงสุดเอาแบบที่เรียกว่าถึงพิกัดเต็มที่เนี่ยนะถ้าบอกว่าสว่างเหมือนอไรบอกเอาบอกว่าในโลกนี้สว่างก็ดวงอาทิตย์นั่นแหละจะไม่เอาสว่างแบบหนึ่งแรงเทียนสองแรงเทียนสามแรงเทียนร้อยแรงเทียนพันแรงเทียนเนี่ยนะหรือว่าสว่างกี่วัดเป็นต้นเนาะไม่เอานุนะ่นอะดวงอาทิตย์สว่างกี่วัดอะกี่แรงเทียน หมดเทียนทั iden, Bref, ót, ้งโลกก็ไม่ได้สว่างเสี่ยวดวงอาทิตย์เลยเนี่ยนะเอาเทียนทั้งโลกเอาโลกเป็นแค่เรียกว่าเอาโลกเป็นเทียนเนี่ยนะเป็นแรงเทียนทั้งหมดมันก็ไม่ได้สว่างเศษเซี่ยวดวงอาทิตย์เลยเนี่ยนะอย่าว่าแต่บอกแม้แรงเทียนร้อยแรงเทียนพันแรงเทียนธรรมดาเลยเนี่ยนะเพราะว่าว่องไวขนาดนั้นเนี่ยนะต้องเร็วเออความคุณธรรมต้องเติบโตโงอกงามยิ่งขึ้นไปมันทุกอย่างเนี่ยให้ถึงที่สุด มีกายอันอ บ, บรมถึงที่สุดมีศีลอ บ, บรมถึงที่สุดมีสมาธิอ บ, บรมถึงที่สุดมีจิตอ บ, บรมถึงที่สุดมีปัญญาเจริญถึงที่สุดเนี่ยนะทำให้ถึงที่สุดอันนั้นได้เพราะอะไรเพราะพระองค์มีความภาคเพียรมีความแกล้านะมีความแกล้าพระพุทธเจ้าเนี่ยกล้ายอย่างนั้นพระองค์จึงนะจึงสําเร็จถึงความเป็นพระพุทธเจ้าได้เพราะฉะนั้นผู้กล้าย่อมแพ้ท่านพระพุทธเจ้าบอกกับมาน คนแพ้คนขี้ขลาดเท่านั้นแหละจึงจะเป็น น, นะจึงจะเป็นผู้แพ้อย่างพระองค์บอกว่าพระองค์ไม่ใช่เป็นคนคนขี้ขลาดเพราะฉะนั้นถามว่าพระองค์กลัวบ้างไหมหวาดพศดุ้งบ้างไหมเคยคิดถอยบ้างไหมเขาบอกว่าตั้งแต่ออกบวชมาไม่เคยคิดเย่ยจะต้องกลับไปเป็นคารวาสอีกเลยเนี่ยนะตั้งแต่ออกจากพระราชวังแล้วก็เรียกว่าเป็นผู้ที่ไม่หวนกลับเป็นธรรมด า, านะเขาบอกว่าถ้า พระโพธิสัตว์เป็นบุคคลกลุ่มที่เรียกว่าถ้าตัดสินใจอย่างไรแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงขอให้ถึงความตกลงใจถ้าตกลงใจบอกว่าอย่างนี้เท่านั้นก็บอกว่าหลังจากนั้นจะจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ปรับแผนน่ะได้แต่เปลี่ยนแผนไม่ได้เนี่ยนะก็ ว, ว่าปรับได้นิดๆหน่อยๆแต่ว่าแต่ว่าทิศ ท, ทางอย่างไรก็ต้องชัดเจนไม่มีการเปลี่ยนแปลงมันออกจากบวชมาเลยเนี่ยนะโอ้หน้านาะลูกของเราเป็นยังไงบ้างเนาะ ไม่ยงมคนหนึ่งเขามาบวชเขาเขาเขาบวชเขาได้ลูกน้อยก่อนบวชอ่ะนะเสร็จแล้วก็มาบวชพอบวชปั๊บเนี่ยพอเห็นลูกน้อยเขา้าโอ้ลูกน้อยเราจริงจริงก็คิดถึงลูกอ่ะนะหาเหตุผลยังไงจะศึกไปเลี้ยงลูกนะ่นะก็เลยวันหนึ่งวินทบาทไปเจอไก่เนี่ยนะ ไก่ไก่บ้านนะ่ยนะมันก็จูงลูกมันก็ชวนลูกไปหากินอ่ะนะดูซิไก่นะมันยังรับผิดชอบเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไอเราเป็นมนุษย์ทั้งคนทําไมเราจะไม่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานนะคิดอย่างงี้สึกเลยเนี่ยนะคิดได้นะเอาอาจารย์ไก่ก็เลยได้เป็นสาวของไก่ก็เลยสึกไปเลี้ยงลูกเนี่ยนะนะเอามันก็คิดได้เท่าไก่นะอยงั้นเหร